3.23 อามสมสี่วงเล็บเปิด13าพฤษภาคม2550ในวงเล็บสองจุดจุดนาทีห้าวงเล็บปิดคนอินเดียสมัยโบราณเขามีธรรมเนียมเลยว่าถ้าผมเริ่มหงอกจะเป็นเวลาที่ต้องให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ตัวเองแล้วจะต้องออกจากกรามออกจากโลกแล้วไปศึกษาตัวเองเขาเข้มงวดอย่างนี้นะแต่ถ้าใครหัวงอกเร็วหัวงอกตั้งแต่เด็กก็ยกเว้นอันนี้คงเป็นเกณฑ์เฉลีย่ยคนทั่ ว, วไป แล้วพอมีลูกมีเต้าขึ้นมาจนเริ่มหัวงอกเริ่มสำรวมเริ่มระวังถือว่าความตายมาเตือนแล้วเทวทูตมาเตือนความแก่มาเตือนพอมาเตือนแล้วก็สารวจตัวเองสมควรแก่การที่จะศึกษาตัวเองเขาไม่ประมาทพอศึกษาตัวเองจนเข้าใจแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นเห็นไหมไม่ใช่เอาตัวรอดนะสุดท้ายแล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นนี่เขาเรียกอาสมอาสมสี่อันตอนเป็นเด็กเขาเรียกพรหมจรรย์ พรหมจรรย์ก็คือศึกษาเรียนรู้วิชาการที่จะอยู่กับโลกช่วงที่สองเป็นคารหัดผู้ครองเรือนเอาวิชาความรู้ที่ศึกษามาแล้วมาทํามาหากินหาเลี้ยงครอบครัวต่อมาพอเริ่มแก่แล้วไม่ใช่แก่งักหักนะก็ศึกษาตัวเองจนเข้าใจแจม่มแจ้งแล้วก็มาช่วยเหลือคนอื่นมาชี้ทางสว่างให้คนอื่นทางอินเดียเขาถือว่าถ้าใครประพฤติปฏิบัติได้อย่างนี้นะชีวิตสมบูรณ์แบบนี่คือหน้าที่ของคนมีสีหน้าที่นะ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 เดี๋ยวนี้เราก็ไปเอาอย่างฝรั่งชักฟ้องกันเก่งอย่างเมื่อก่อนหมอรักษาโรคคนตายนะคนบอกเป็นเวรเป็นกรรมอย่างนี้ก็โง่ไปหน่อยเดี๋ยวนี้ก็ถือว่าต้องฟ้องสังคมนี่เครียดขึ้นทุกวันนะเครียดทำมาหากินอะไรยุ่งยากทุกวันต้องศึกษาธรรมะเราไม่ต้องเอาอย่างแขกนะรอแก่แล้วศึกษาเราไม่ใช่แขกเราเป็นชาวพุทธชาวพุทธเนี่ยเรามีหน้าที่ศึกษาธรรมะตั้งแต่แรกเลย เท่าที่อายุน้อยที่สุดเท่าที่ทำได้ก็ต้องศึกษาธรรมะแล้วเด็กก็ศึกษาธรรมะของเด็กผู้ใหญ่ผู้ครองเรือนก็ศึกษาธรรมะของผู้ครองเรือนคนไหนอยากพัฒนาตัวเองไปอย่างรวดเร็วครองเรือนอยู่ด้วยนี่แหละศึกษาธรรมะที่จะพ้นโลกไปด้วยไม่ได้ฝืนกันไม่ได้ขัดกัน